อธานศีลอธินานศีลเป็นการเตรียมเตรียมภาชนะเตรียมภาชนะที่จะรองรับธรรมะซึ่งเป็นมรดกหรือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในแก่ธรรมะ คือความจริงแห่งสภาวธรรมที่เราจะฟังเป็นการที่จะน้อมนำธรรมะเข้าสู่จิตใจเพื่อยังปัญญาให้เกิดแต่การสมทานศรรีลเป็นการเตรียมพร้อมหรือว่าชําระ ชำระเครื่องรองรับในเกียกายวาจาของเราและก็รวมเข้าไปถึงใจด้วยเพราะศีลเป็นรัวกันความคึกขนองทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นการประกาศเพื่อ การสำรวมรักษาปฏิบัติให้กายของเราเป็นความสงบให้วาจาเป็นความสงบแล้วก็ให้ใจเป็นความสงบเพื่อเป็นเหตุแห่ง <c oughs> ความสุขอันแท้จริง ที่จะเกิดขึ้นทางจิตใจของเราวั้นการสมทานศีนรเป็นการเตรียมกายเตรียมวาจาเตรียมจิตใจของเรารองรับสิง่งอสัสธรรมหรือธรรมะเพื่อจะได้ บรรจูเข้าสู่กายวาจาใจของเราเ็ราะนั้นลำดับต่อไปตั้มใจสมทานเบนจะสีนในเบื้องต้นเป็นการน้อมใจการกล่าวคำว่า น, นโมตสะไปจนจบสามครั้งเป็นการน้อมใจหรือว่ามีเจตนาจงใจของเรา ใจใจคือความรู้ของเรามีความนอบน้อมในคุณพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตัดสู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ด้วยพระองค์เองเป็นสยามผู้เป็นผู้ตัดสู้ชอบเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย นี่น้อมใจนอบน้อมเดพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรากำหนดรู้เข้าที่ใจพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ใจของเรานีน่นอบน้อมพระพุทธเจ้าสามครั้งด้วยการกล่าวนมโมแล้วก็ลาดับต่อไปเป็นการน้อมจิตใจของเราถึงพระพุทธรธรรมประสงค์ เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้บังคับบัญชาในกายวายจายใจยของเราเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวคำถึงคำว่าพุทธรงธรรมังสังขังสรณะขจามิเป็นการน้อมใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ เป็นที่พึ่งเป็นที่ะระลึกอย่างจิตใจของเราแล้วก็น้อมเข้าสู่ใจของเราเนี่ยมาให้นึกไปที่อื่นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์สาวกก็อยู่ที่ใจลำดับต่อไปจึงเป็นการสมทานสิกขาบทเพื่อการงดเว้นจากโทษทั้งห้าประการ ในแก่ปานาทินากาเมมุสาสุราโดยลำดับทั้งห้าข้อนั้นเป็นการประกาศเพื่องดเว้นไม่ฆ่าไม่รักไม่ปกติผิ ด, ดในกามไม่กล่าววาจาโปกปดมดเท็ดหลอกลวงอำพามไม่ดื่มกินเครื่องดองของเมาอสุราเรเมไรอันเป็นฐานที่ตามแห่งความประมาท นั่นเป็นคำสมท า, านประกาศเพื่อการงดเว้นเรียก ว, ว่าสมท า, านสิขาบททั้งห้าประการในเบื้องต้นจงน้อมใจนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า <c oughs> นาโมาตัสสะพังวาโตอรหโตสมัสมมาสัมพุทธะนาโมาตัสสะพัวาโตอรหโตสมัสมมาสัมพุทธะ นาโมตัสสะพังกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมบูตัสสะนาโมตัสสะักวโตอะระหะโตสัมมาสัมบูตัสสะนาโมตัสสะพังกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมูตัสสะ นะโมตัสสะพัทธวัตตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะมุทังสราณังกัจฉามิมทังสราณังัมิธรรสรณังกัจฉามิสาังกัามิงทงสราณังกัจฉามิ จางทาสนังจามิโติยมปิมุธังสรนังัามิติยมปิพุธังสรนังัามิโติยมปิธมังสรังัามิติยัสามติสังทางสรนังัามิ ตัติยามปิสังฆังสลาณังกัจฉามิตัติยามปิมุธังสลาณังกัจฉามิตัติยาิพุทธังสลณังกัจฉามิตัยามปิธรรมังสลณังกัจฉามิตัติยามปิสังฆังสลณังกัจฉามิ อาติยปิสขังสรนังกัชามิสระกมณังนิตตังอะมาปันเตปานาติปตาเวระมเนสิก้าปังสมานิยามิปานาติปตา เอรามณีสิขาปันดังสมานียามิอะตินนาณานาเวรามณีสิขาปันดังสมานิยามิอะตินนาดานาเอรามณีสิขาปันดังสมานียามิคาเมสุมิชฌาจลาเวรามณีสิขาปันดังสมานิยามิ ธรรมิสุ a ิ a n าจาร a เวระมณีศิขะปังสมานียามิมุสาวาณะเวระมณีศิขะปังสมานียามิมุสาวาณะเวระมณีศิขะปังสมานียามิสุราเมระยามาชกพมานัฏฐานา เวลาเมณีสิกาปันดังสมาณิยามิสุราเมรยานชัปามานตานาณเวลาเมณิสิกาปันดังสมาณียามิอิมานิปัญจสิกาปันิสิเลนะสุกติยันติสิเลนะพระสัมปันดา สิเรณีบุตรยันติทัสมาสิรังวิโสทายาทุมมจะลโลกาติปติสัมปติกัอัญชลียันติวังอายาจตัสันติทัสสะตาปะระชาชาติกาเทเสตุธมังอนุกรมปีมังปชา นาโมตัสสะพังกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพังควาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพังกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสมะพังกาโตอะระหะโติอมมาสัมพสะ ธรรมะปริยัติสาอัตโทสาธาญาสัมันเตหิสกจังธรมโอโสตโบตีเตรียมกายเตรียมใจให้ดีนั่งให้สบายอานั่ง อาสขัดสมาธิก็ได้เียว่าฟังธรรมปฏิบัติธรรม <c oughs> กายของเราเป็นก้อนธรรมเป็นรู ป, ปรธรรมใจเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตน ธรรมะคือกายกับใจในวันนี้พวกเราพุทธบริษัทบาสกบาศิกาผู้สนใจใในธรรมะราธนาความสุขด้วย บุญกุศลคุณงามความดีได้รู้ว่าพระธรรมนำออกจากทุกข์พระธรรมนำสุขมาให้คือนำทุกข์ออกไปแล้วก็นำสุขมาให้โรค คือหมูสัตว์สัตววโรทั้งหลายถ้าขาด ร, รมโลกเดือดร้อนร่มจมถ้าโรคคือหมูสัตว์สัตววโรเป็นผู้มีธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม นำธรรมะมาเป็นบรรทัดฐานเป็นเส้นทางแห่งการดำเนินเดินกายว่าใจใจของตนเองไปตามเส้นทางแห่งธรรมะมีองค์แปดประการคือถังชิกะมัค ก็จะถึงซึ่งความสุขความอยู่เย็นเป็นสุขสุขทั้งกายสบายทั้งใจด้วยการประพฤติปฏิบัติตามสัจธรรมและผลคือความสุขก็จะสัมผัสรับรู้ ที่ใจของเราเป็นรสชาติแห่งธรรมะเป็นผลแห่งความสุขความสงบความอิม่มใจความสบายใจเกิดจากเหตุแห่งการประพฤติปฏิบัติตามสัจธรรมจะให้เกิดความ อิ่มใจความสงบใจให้เกิดความสุขกายสบายใจให็นด้วยอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติตามหนทางแห่งธรรมรือมรรคแปดสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิคือความเห็นทิฏฐิคือความเห็นเป็นอาการออกจากใจหรือว่าเกิดขึ้นที่ใจความเห็นชอบเห็นตามสภาวะสิ่งที่เกิดที่มีและมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของ ลักษณะแห่งความเป็นจริงทั้งสามประการได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังความไม่เที่ยงความทนอยู่เป็นปกติอย่างเดิมไม่ได้จึงแปรปวนไปทุกขังขอความทนอยู่นานๆไม่ได้ต้อง แป่ปวนย่อยยับสลายไปอนัตตาความไม่เป็นตัวเป็นตนตามความสำคัญมั่นหมายแห่งจิตของเราอันนี้เป็นความจริงแห่งสัจธรรมถ้าความเห็นเห็นถูกเห็นต้องตามความเป็นจริงแล้วใจนี่ก็จะสบายปลอดโปรง่โรงโล่ง ไม่ปีนเกลียวของความเป็นจริงอย่างสัจธรรมนี่คือว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นเป็นปัญญาชอบสัมมาสังกปะสัมมาสังกปโปความดำริเมื่อมีความเห็นแล้วก็ดำริที่จะออกดำริที่จะปล่อยจะวางที่จะละ ความยึดมั่นถือมั่นนั่นๆความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ว่าเป็นว่ามีว่าเราว่าของของเรานี่เป็นความดำริเป็นอาการเกิดขึ้นที่ใจเป็นลักษณะแห่งความดำริเกิดจากใจที่รู้รภายในเนี่ยเป็นความดำริชอบ เว่าดัลิที่จะออกดําลิที่จะละจะวางไม่ใช่ดําลิที่จะเอาไม่ใช่ดําลิที่จะเอาดําลิที่จะยึดที่จะถือดําลิที่จะปล่อยที่จะวางตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายนี่เป็นสำมาสังกโปเป็นส่วนแห่ง อาการของใจของธรรมชาติรู้ธรรมชาติที่รับรู้คือใจของเรานั่นเองสัมมาวาจามาคคัมมันโตสมาสิโวอันนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวกับวาจากับกายกับรูปกับรู ป, ปรธรรม กับรูปสังขาวรวจีสังขาวรวจีสังขารกับคำกล่าวคำพูดต่างๆนั่นแหละเป็นเสียงออกมาเป็นเหตุให้สัมผัสรับรู้ด้วยโสตวิญญาณมโนวิญญาณคือใจเป็นวาจาที่ชอบเป็นการงานที่ชอบ การงานทางวาจาการงานทางกายหรือการงานทางความนึกคิดฟุงแต่งจดจำสัญญานี่เป็นความชอบเรียก ว, ว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาชีโวนี่เป็นส่วนเกี่ยวกับกายกับวาจาสัมมาวายโม ο, สัมมาสติสัมมาสมาธิ เป็นอาการที่เกิดขึ้นสัมผัสทางจิตใจแล้วก็มาควบคุมทางกายทางวาจาด้วยที่เรียกว่าความเพียรสัมมาวายามโมสัมมาสติความระลึกสัมมาสมาธิ ใจคือความรู้รู้แน่วแน่ตั้งมั่นมั่นคงในความจริงในการรู้ความจริงคือรู้อ น, นิจจังทุกขังอนาัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอันนี้เป็นอาการเป็นอาการเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ กายวาจาและใจนี่เรียกว่ามีแปดอาการเป็นทางดำเนินที่ชอบที่จะต้องเกี่ยวข้องกับรูปธปรรมและนามธรรมาทีนี่เมื่ออาการทั้งแปดนี่แหละ เป็นเส้นทางที่จะให้ก้าวเดินเรียกว่าประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยชอบก็รวมเข้ามาเป็นเรื่องของกายกับใจหรือว่ารูปประธรรมคือกายนามธรรมคือใจใจของเราเนี่ย มันมีสิ่งที่มาคอยหนุนผักดันอยู่ในความรู้รูนี่แหละที่มันเป็นธาตรู้แต่มันมีอาการแห่งความอยากมีอาการแห่งความหลงในอาการแห่งความหลงผิด เข้าใจผิดนั้นก็เกิดขึ้นที่ใจแล้วอาการแห่งความอยากความปาทนาที่เรียกว่าตัณหาคือความอยากก็เกิดขึ้นที่ใจพักดันใจคือความรู้นี่แหละให้เป็นพลัง แล้วก็พลักดันไปถึงกายถึงวาจานี่พะมีมเครื่องมือคือกายกับใจตายเป็นส่วนที่เป็นรูปเป็นธาตุใจเป็นส่วนที่เป็นนามไม่มี ตัวตนไม่เป็นรูปนี่สองอย่างนี่แหละที่นี่จะเอาอะไรมาควบคุมมาเป็นที่เลี้ยงมาเป็นเครื่องคอยดูแลกายกับใจเนี่ยดังที่กล่าวมาแล้วในหนทาง ปฏิบัติทั้งแปดอย่างรวมเข้ามาก็ได้แก่สติสติเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะสติละลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ใจของเราเนี่ย ใจมันเป็นธรรมชาติรู้แต่ที่มันมีอาการแห่งความไม่รู้ที่เป็นความหลงเป็นโมหะอเข้ามาปิดคือไม่ให้รู้ตัวตตทั้งๆที่ตัวเองเป็นธรรมชาติรู้แต่ไม่รู้ตัวอไปรู้ตาม กิจยาตามอาการแห่งความผักดันของโมหะคือความหลงโมหะอวิชชาความหลงความหลงอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ท่งออกไปข้างนอกไม่เข้ามารูภายใน ความรู้รู้หรือไม่เข้ามารู้สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้ความสัมผัสสัมพันธ์คือกายกับใจอย่าไม่มารู้กายไม่มารู้ใจซึ่งเป็นเหตุแห่งซึ่งเป็นเหตุเป็นฐานของความสุขและความทุกข์ ความสบายหรือไม่สบายที่เราว่าสบายกายสบายใจทุกกายทุกใจมันอยู่นี่แต่ไม่ได้ดูเข้ามาตรงนี่นี่หลักธรรมค ร, รมสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ใจให้รู้กายรู้ใจคือให้รู้ตัว ให้มารู้ตัวให้พึ่งตัวเองที่ท่านเรียกว่าพึ่งตนอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็คือกายใจของตนเองนี่แหละเป็นที่พึ่งของตนเหตุให้เกิดความสุขความทุกข์ เกิดความวุ่นวายสายแสเดือดร้อนเกิดที่กายกับใจของเราเองไม่ได้เป็นมาจากที่อื่นความโกรธไม่พอใจร้อนใจเกิดอยู่ที่ใจของเราความโลภความอยากความป่าถนา สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดอยู่ที่ใจของเรามีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้เมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นฐานมีใจเป็นที่ตั้งที่จะให้มีความ สุขที่จะให้ระงับความร้อนความทุกข์ความวุ่นวายก็ต้องมาระงับที่กายที่ใจของเราอุปกรณ์ที่จะให้ระงับความร้อนความทุกข์ความวุ่นวายก็ได้แก่ธรรมะ คือข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบระงับธรรมะที่จะให้เกิดความสงบระงับก็ได้แก่สมาธิความตั้งมั่นของใจสติความระลึกรู้รอบรู้ในความรู้ คือใจของเราเมื่อระลึกรู้รอบรู้แล้วก็ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นความรู้มั่นอยู่ในความรู้ของตัวเองก็สงบก็ขาดจากอารมณ์เครื่องรบกวนภายนอกเดี๋ยวว่าขาดจากเสื้อ ขาดจากเชื่อขาดจากสื่อที่จะให้เกิดความร้อนความวุ่นวายคือการส่งสายแสออกไปตามดั้นยาอารมณ์ภายนอกสายแสไปตามความนึกคิดปรุงแต่งไปตามความอยากความดิ้นรนของจิต นี่เพราะสั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะมการใข่ควรในธรรมยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมจากการฟังจากการปฏิบัติให้สติธรรมเกิดขึ้นที่ใจสมาธิธรรมสัมผัสที่ใจปัญญาธรรม สัมผัสที่ใจจิงต้องเป็นสิ่งที่เราต้องประพฤติเองปฏิบัติเองลงมือทำเองสร้างพลังสร้างพลังแห่งธรรมให้เกิดขึ้นพลังแห่งสติธรรมสมาธิธรรม ปัญญาธรรมเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นความตั้งมั่นความมั่นคงความแน่วแน่ของใจไม่สายแสตามสัญญาอารมณ์เมื่อมั่นที่ใจแล้ววาจาก็มั่นมั่นในธรรมในความเป็นธรรมได้กายก็มั่นในความ สงบในความไม่ทำกิริยาให้เป็นบาปเป็นโทษเนี่เพราะสั้นจังวาใจเป็นมหาเหตุใจเป็นเหตุอันใหญ่หลวงมหาเหตุคือเหตุที่ใหญ่โตเหตุที่ใหญ่โตที่อยู่ใน วัฏทะสามความหมุนเวียนของใจหมุนเวียนอยู่ในกรรมวัฏกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏมีใจเท่านั้นไม่ได้มีสิ่งอื่นส่วนกายเป็นลูกดินเป็นธาตุดินน้ำไฟลม ไม่มีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่รับรู้ไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ร้อนไม่รู้เย็นเหมือ น, นกันกับน้ําถึงแม้เขาจะเป็นธรรมชาติแห่งความเย็นเขาก็ไม่รู้เรื่องของเขาผู้ที่ไปรู้ว่าเย็นว่าร้อนคือใจคือถ้ารู้คือใจอของแต่ละท่านแต่ละคนหรือ จิตใจแต่ละดวงแต่ละดวงนี่แหละเป็นผู้รู้เย็นรู้ร้อนรู้หุ่นรู้วายรู้สายแสเป็นเรื่องของใจเพราะฉะนั้นจึงต้องมาควบคุมใจมาติปฏิบัติต่อใจทำความเชื่อมั่นทำความเชื่อ ทำความเชื่อมั่นในธรรมธรรมคือข้อปฏิบัติว่าเราสร้างธรรมะคือสติธรรมให้มีกำลังให้ต่อเนื่องการสร้างสติเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทาพูดคิด มีการตั้งใจมีการกำหนดรู้ะระลึกรู้เรียกว่าสติเป็นคู่ของใจความะระลึกรู้เป็นคู่ของความรู้นี่ที่ท่านว่าธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่าง ได้แก่สติความระลึกรู้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่เป็นสมบัติที่มีคุณค่าที่มีอุปการะคุณต่อใจได้แก่สติธรรมสัมปชัญญะธรรมส่วนวัตถุสิ่งของธาตุ สมบัติภายนอกต่างๆนั้นเป็นเป็นสิ่งที่อุปการะต่อธาตุต่อรูปต่อกายเส้นเงินทองเข้าคล้องเรืยนชานบ้านช่องสมบัติพระสถานต่างๆที่เป็นวัตถุสมมุตินั่นเป็นเครื่องอุปการะต่อกายสิ่งที่อุปการะต่อใจ คือธรรมสติธรรมสัมปชัญญะธรรมในจุดนี้แหละที่จะเป็นสื่อหรือเป็นทางดำเนินไปสู่ความสุขแห่งใจจึงต้อง ปฏิบัติตามธรรมะหรือมีความยินดีในธรรมะตามพาสิตยกขึ้นในเบื้องต้นว่าธรรมะกาโมผวังโหติผู้มีความยินดีผู้มีความคลยินดีในธรรม ย่อมเป็นผู้มีความเจริญเจริญในธรรมความเจริญก็คือได้รับสัมผัสความสุขความเยือกเย็นความเบาสบายในวิถีจิตของเรานั่นแหละเพราะทำเป็นเครื่องยังความร่มเย็นให้เกิดขึ้นทมเป็นเครื่องคุ้มคลองใจ เ, เช่นสติสัมปชัญญะเนี่ย เมื่อจเจริญให้มีความรู้ะระลึกรู้ต่อเนื่องกันก็จะคุ้มคองใจจะสกัดกั้นสัญญาอารมณ์ความลุ่มหลงตามความอยากที่จะเกิดขึ้นจากความลุ่มหลงยึดมัน่นถือมัน่นสำคัญผิดของใจของเรานะ่ะ หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหลงในลาบยศสนเลิเสิญ ส, สุขต่างๆถ้ามีสติเป็นทมเครื่องคุ้มกันและก็มีสมาธิความที่รู้รอบรู้ใน แ, แก่ปัญญาให้ควรเหตุผลในสิ่งที่อยาก ให้สิ่งที่ปาถนานั้นมันมีคุณค่าอย่างไรมันมีความหมายอย่างไร น, นี่ถ้าสติปัญญาทาหน้าที่ใขค้ควรรอบรูเ้เข้าใจความกิ่งแล้วความอยากความดิ้นรนในรูปเสียงกลิ่นรสโอธพระยศทาบรรดาศัก์ ต่างๆอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็จะสงบระงับลงไปด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่เรามีความเชื่อมั่นในธรมคามสอนของพระพุทธเจ้าหรือในสัจธรรมตามเป็นจริงและมีความเพียรพยายามกำหนดรูกำหนด และลึกรู้อยู่กับความรู้ของตัวเองนีว่าเพียนสร้างสติสัมปชัญญะนี่แหละให้เป็นสติของธรรมถ้าเราไม่เพียนอย่างนั้นสติถึงแม้จะมีก็เป็นสติของกิเลสเป็นสติของโมหะอวิชชา เป็นตัวหนูนสติระลึกก็ให้ระลึกไปตามความอยากนั่นอยากมีสิ่งนั่นอยากได้สิ่งนี้อยากสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะก็ลึกกลายเป็นสติของกิเลสกลายเป็นสติของอาธรรมทำฝ่ายให้เกิดความ วุ่นวายเดือดร้อนซึ่งสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นเมื่อมีแล้วได้แล้วเป็นแล้วก็ไม่เกิดความสงบไม่เกิดความสุขไม่เกิดความปล่อยวางไม่เกิดความเบาสบายทางใจซึ่งเป็นผู้สัมผัสรับรู้ แต่ถ้าเรื่องของธรรมะสติที่เป็นธรรมธรรมของธรรมรู้เข้าใจแล้วละวางปล่อยได้วางได้สลัดออกไปได้ถอนอุปทานความเข้าไปยึดไปอยากไปสำคัญมั่นหมาย ผิดเห็นผิดนั่นได้นี่จะต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมฟังธรรมเพื่อให้รู้อุบายเพื่อให้เข้าใจในอุบายธรรมะเรียนได้ลงมือปฏิบัติคือสร้าง ศีลให้เกิดขึ้นสมาธิให้เกิดขึ้นปัญญาให้เกิดขึ้นให้ใจของเรานี่มีพลังแห่งสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่เรียกว่าให้ให้ใจนี่มีอนุภาพมีพลังแห่งธรรมมีอนุภาพแห่ง ธรรมะเรียกว่าจิตตานุภาพปัญญานุภาพสีอนุภาพก็คือสติสมาธิปัญญานั่นเองอนุภาพแห่งศีลอนุภาพแห่งจิตคือสมาธิความมั่นคงของจิต อนุภาพแห่งปัญญาเหตความรู้เหตุรูปผลของอาการต่างๆของสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงรู้แล้วปล่อยวางศีลในองค์มรรคสมาธิในองค์มรรคปัญญาในองค์มรรค ในว่าศีลที่ประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญารอบรูรอบรูเหตุผลเช่นการกำหนดรูใจของเราไม่ให้ไหลไปตามสัญญารมให้ละลึกรูอยู่ในปัจจุบัน อาจะกำหนดรูส่วนไหนที่จะเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ไม่มีสิ่งอื่นที่ทรงสนรเสริญหรือทรงยกขึ้นแสดงก็ได้แก่ การมีความระลึกรู้ในกายความเคลื่อนไหวไปมาของกายในอิริยาบถของกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดนี่มีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่กับ อาการในกายของเรานี่แหละอาการในกายอาการในจิตจิตไปจดไปจําสัญญาความไปจําไปสำคัญมัน่นหมายสังคาญความนึกคิดปรุงแต่งเมื่อสัญญาไปจําไปสำคัญแล้วสัญญขงขารก็ทาหน้าที่ คิดปรุงแต่งปรุงดีปรุงไม่ดีไปตามความอยากความหลงนั่นแหละหาว่าไปปรุงเรื่องความอยากตามความหลงว่าเป็นของดีปรุงแต่งไปตามเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโหดทะพระความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็น พงไปแล้ววุ่นวายไปแล้ถ้าพงมาตามทางแห่งธรรมะให้เห็นความแปรปวนความไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเรียกว่าเห็นตามอนิจจังทุกขังนัตตาความยึดความถือที่มีอยู่ก็จะหมดไปเป็นความปล่อยความวางความว่าง จากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่จะเป็นความสุขความเบาความสบายเกิดขึ้นที่ใจนี่ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเอามาเป็นเครื่องศึกษาเครื่องรู้นอกจากกายกับใจเท่านั้นแหละ อาศัยกันอยู่แล้วก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ <c oughs> เกิดมามีรูปมีกายก็ต้องมาทำการทำงาน <c oughs> ต้องมาศึกษาเรียนมาขวนขวายนี่แหละใช้กายใช้จิตทำงานอยู่ด้วยกันก็รับรู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาที่ใจของเรา นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นรวมลงอยู่ที่ใจสุข ก, ก็เกิดที่ใจทุกข์ก็รู้ที่ใจสุข ก, ก็รู้ที่ใจสัมผัสกับกายสุข ก, ก็สัมผัสกายกับใจทุกข์ก็สัมผัสกายกับใจนี่เมื่อมันมีอยู่ที่นี่เป็นอยู่ที่นี่ อุปกรณ์เครื่องที่จะให้มารู้มากเข้าใจจึงต้องฝึกหัดปฏิบัติอยู่ที่กายกับใจเรียกว่าให้สติและลึกรู้ความเคลื่อนไหวของกายเรีว่าเอากายเป็นที่ตั้งของสติเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของใจ เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปนี่ในอาการสามสิบสองในรูในผมขนเล็บฟันหนังเหนื่อเอ็นกระดูกนี่ในส่วนกายของเราเนี่ยจะว่าเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนความรู้สติรละลึกรู้ ขณะนี้เราเดินขณะนี้เรานอ น, อนขณะนี้เรานั่งขณะนี้เรายืนทําสติรู้กับการเคลื่อนไหวขณะนี้เราพูดขณะนี้เราคิดนี่ฝึกสติให้เป็นปัจจุบันสตินี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญ ทมทั้งหลายถ้าขาดสติเป็นเครื่องอุปการละแล้วทมนั่นจะไม่มีความเจริญปัญญาก็จะไม่เป็นปัญญาเป็นไปเพื่อความรู้เป็นไปเพื่อการละความรุ่มหลงได้สมาธิก็จะไม่เป็นสมาธิเป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งทุกข์ <c oughs> สติก็จะไม่ เป็นสติที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งทุกข์นี่ถ้าหากว่าไม่เป็นสติในองค์มรรคคือสติที่ประกอบด้วยความตั้งใจสติที่ประกอบด้วยสมาธิและปัญญาที่นี่รวมธรรมะเนียที่ว่าสติสมาธิปัญญา จึงรวมมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเป็นเครื่องเกี่ยวเนื่องกันกลมกืนกันรักษากันสติที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาความรอบรู้เหตุและผลก็เป็นสติที่ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ตามความเป็นจริงเป็นสติที่ไปละลึกไปในทาง ที่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ใช้สติเหมือนกันสมาธิความสงบจากสัญญาอารมณ์ความตั้งมั่นในตัวเองก็จะไม่เป็นไปในสมาธิในองค์มรรคจะเป็นไปด้วยสมาธิในสมุทัย เป็นการเสริมความอยากต่างๆไปอีกด้วยสมาธิเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาหรือวสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าหากว่าไม่เป็นไปโดยชอบอันเรียกว่าเป็นมิจฉามิจฉาปัญญามิจฉาสมาธิ มิจฉาสติถ้าเป็นไปโดยชอบเป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจเป็นไปเพื่อความละความปล่อยวางยิงเป็นสมาธิในองค์มรรคเป็นสติในองค์มรรคเป็นปัญญาในองค์มรรคเนธรรมะ เป็นเครื่องนำออกที่จะให้มีความเจริญเป็นไปเพื่อการนำออกจากทุกจากโทษจึงต้องอาศัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอน ประทานไว้เป็นไปเพื่อความไม่มีโทษเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความไม่วุ่นวายอ่านการรักษาศีลหรือว่ารักษากายวาจาที่การพูดพูดแล้วเป็นไปเพื่อความวุ่นวายเป็นไปเพื่อความไม่สบายอย่างเราพูดเรากล่าววาจา ด้วยความโกรธบางทีเกิดความโกรธเป็นกำลังในจิตก็ามาใช้วาจาตามความโกรธพอพูดไปแล้วก็เกิดความทุกข์ตามหลังอย่างนี้อันเรียกว่าวาจาเป็นไปเพื่อความทุกข์ถ้าว่าเราพูดแล้วไม่ได้มีความ ทุกไม่ได้มีความกังวลว่ามันจะเป็นโทษมันจะเป็นความผิดอะไรมันเป็นความสร้างสรรเป็นความที่ให้เกิดสารประโยชน์นั่นเรียกว่า <c oughs> วาจาที่เป็นไปในธรรมวาจาที่เป็นไปโดยโทษวาจาที่ บิดเบียนความจริงอาจารย์ที่แข็งกระด้างเราเนี่ยพูดไปแล้วกล่าวไปแล้วทุกตามหลังอืหรือกล่าวบิดเบียนจากความจริงกล่าวไปแล้วให้เกิดความละแคะระคายเกิดความร้อนรอนใจตามหลั ง, งนั่นเรียกว่า ไม่เป็นวาจาสุภาษิตเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกเป็นหลักวหว่าวาจาหยาบวาจาหลอกลวงวาจาหาประโยชน์ไม่ได้นี่เขาเอาอาการเหล่านี้มาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นในส่วนวาจาในส่วนกาย การขวัญขวายการกระทำทางกายการฆ่าการทำลายทำแล้วมันเป็นโทษให้เกิดทางกายและทาง จ, จิตใจในการประพฤติผิดในกามที่อาศัยกายเป็นเครื่องมือกระทำกรรมนั่น ทำลงไปแล้วให้เกิดทุกข์เกิดความเรวร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นนี่ก็เป็นบรรทัดฐานก็งดเว้นก็สํารวมตามนั้ น, นระหว่างกายวาจาส่วนเรื่องจิตใจความนึกคิดปรุงแต่งความวุ่นวายสายแสตามสัญญาอารมณ์มันเป็นธรรมชาติของกิจสังขาร เมื่อมันปล่อยอยู่เรื่อยๆก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยกลายเป็นวิตกจริตจิตชอบวิตกกังวลชอบคิดฟุ้งซ่านไม่มีเวลาหยุดสงบได้เพียงต้องมาฝึกให้มีสติคุมจิตรู้เท่าทัน ความนึกความคิดแล้วไม่ปล่อยให้มันนึกมันคิดไปตามยาถากรรมนึกให้คิดในสิ่งเดียวหรือในอารมณ์ในเหตุที่จะให้เกิดความสงบเกิดความสุขทานจริงว่าให้มีสติรู้ในกายมีสติรู้ในศีล รู้ในวาจารู้ในกายในวาจาว่ามันไม่มีโทษวาจาไม่ได้กล่าวสิ่งที่เป็นโทษกายไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นโทษหรือรู้ในลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเป็นประธานแห่งชีวิตชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยลมถ้าขาดลมหายใจแล้วก็ พัทงทลายชีวิตนี่สิ้นสุดไปนี่ท่านจึงให้กำหนดอารมณ์เป็นที่ตั้งของความรู้ความระลึกรู้ <c oughs> ที่เรียกว่าอนาปานสติ <c oughs> นี่เรานี่แหละเป็นอุบายธรรมเครื่องรู้ของใจเครื่องระลึกของสติมันอยู่ในสิ่งเดียว เพราะฉะนั้นเวลาเราเจริญภาวนาหรือฝึกจิตเพื่อให้มีกำลังแห่งสติให้ตั้งมัน่นท่านจึงสอนให้กำหนดรู้ในสิ่งเดียวเป่นกำหนดรู้ลมหายใจหรือกำหนดรู้ลงในความรู้ในความเคลื่อนไหวสิ่งใดสิ่งหนึ่งจดจ่อ ท่านจึงให้ภาวนาพุทธโธพุทธหายใจเขา้าโธหายใจออกนี่เรามาจับอุบายจับข้อปฏิบัติ อ, อันนี้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติกับการเคลื่อนไหวในสิ่งนั้นๆและเวลา เราไม่ได้เคลื่อนไหวในสิ่งนั้นๆหลักที่ให้เป็นเครื่องรู้ของใจเป็นเครื่องระลึกของสติก็ให้กำหนดอารมณ์หายใจเข้ารู้พุทธหายใจออกรู้โทนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในหลักของกรรมฐานสี่สิบอนุสติสิบ เพื่อนระลึกของสติพุทธานุสติระลึกพุโทโธพุธโทโธธรรมานุสติระลึกธรรมโมธรมโมสังขานุสติระลึกสังโฆนี่ว่าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นอารมณ์ของใจนี่เพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกเพื่อให้เกิดพลังให้เกิดความ แน่วแน่ความตั้งมั่นจึงต้องมีความจดจ่อในสิ่งเดียวาภาวนาพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธในอียบทนั่งก็ <c oughs> กำหนดให้แน่ว แ, แน่จะเป็นจะตายยังไงจะเก็บจะปวดจะมีเรื่องล่าอะไรอย่างอื่น ตัดตัดกระแสของการส่งสายของสัญญารมไปสิ่งอื่นให้ผูกมัดตั้งมัน่แนแน่วแน่กับพุทธโทธพุทธโทธโจริงจริงหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเอาเป็นจิตเป็นใจเรียว่าเป็นการเป็นงานในขณะ ที่ทำในปัจจุบันนี้เดียวนี่รู้พุทรู้โทรู้พุทรู้โทเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถเอาเวลาไม่เปลี่ยนเนามีเวลาที่จะฝึกซ้อมก่อนเอานั่งในอิริยาบถเดียวนานๆจะเก็บจะปวดยังไง อยางขนาดนี้เดียวนี่แหละมันจะเก็บจะปวดเรียว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเพราะกําหนด ร, ททรูพุทโธพุทโธมันจะเก็บจะปวดเป็นสุขเป็นทุกข์ทุกเป็นสิ่งที่ให้กําหนดรูก็เพียงแต่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เท่านั้นแต่ไม่ได้ไปใส่ใจไม่ได้ไปสนใจกับสุขกับทุกข์เหล่านั้นสนใจอยู่กับ พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่เมื่อสติมั่นคงทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมันก็สงบไปก็จะเปลี่ยนเป็นความสุขความสบายเมื่อความรู้ของเราความละลึกกลมคกืนกันอยู่กับคุณพระพุทธเจ้า ต่อเนื่องกันก็เป็นความตื่นสติตื่นะระลึกตื่นรู้ตื่นเบาสบายนี่เรียกว่าความรู้นีน่มีกำลังแห่งความตั้งมัน่นแรีว่าสมาธิธรรมความตั้งมั่นของใจตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองได้ นี่ก็เป็นความเจริญในธรรมในสมาธิธรรมเรียกว่าผู้ไข่ธรรมเป็นผู้เจริญในธรรม <c oughs> เห็นคุณค่า <c oughs> เห็นประโยชน์ของจิตที่ไม่ส่ายแสไม่วุ่นวายมีพลังคุ้มกันรู้เท่าทันสัญญารมต่างๆไม่รุ่มหลงไปตามก็ปล่อยวางว่างอยู่เฉพาะตัวของตัวเองได้ นี่ในส่วนสมาธิที่เป็นอาการท่านบอกไว้วความตั้งมั่นเป็นชั่วขณะหรือต่อเนื่องกันยาวนานหรือละเอียดลงไปที่ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิอันนี้มันเป็นชื่อมันเป็นชื่อของอาการของจิต ที่มันมีความแน่นหนามั่นคงแน่ว แ, แน่เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังแล้วเราก็จะไปสาคัญมั่นหมายตามคำที่ได้ยินได้ฟังให้สนใจอยู่กับงานคือการกำหนดรู้แล้วมันจะเป็นขณะหรือมันจะเป็นอุปจาระเป็นอปปนา มันก็เป็นของมันเองในเมื่อเหตุคือความรู้ความระลึกรู้คำวิกรรมตอนเนื่องกลมกลืนกันไม่ขาดว่าขาดตอนจะสงบเป็นขณะก็จะรู้ด้วยตนเองเป็นประจตังนีอว่าสงบละเอียดลึกลงไป แล้วก็ไปรู้สิ่งนั่นสิ่งนี้หรือว่าเกิดสมาธิจิตเกิด อ, อุคหะนิมิตปฏิภาณิมิตนั้นก็จะเป็นให้เรารู้เองเห็นเองจากเหตุที่สติไม่พังเผอ น, นั่นเองหรือว่าละเอียดลงไปจนมันปล่อยวางสมมุติภายนอก ไม่มีกายไม่มีตัวไม่มีตนเยอะแต่ความรู้เด่นอยู่ mm. ก็จะรู้ด้วยตนเองขณะ ร, รมขณะปฏิบัติเนี่ยอย่าไปสนยายอย่าไปสนใจอย่าไปคิดไปปรุงว่าคงจะเป็นอย่างนั่นคงจะเป็นอย่างนี้อันนั่นเป็นทางส่งสายของใจแหละส่งสายไป ตามสัญญารมและผลประโยชน์จะไม่เกิดผลจะไม่เกิดไม่เป็นเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นสิ่งที่สัมผัสที่ใจเกิดขึ้นด้วยความ จงใจความตั้งใจทาความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ทาต่อเนื่องไม่ได้เรียกอริยบทเพราะใจนี่ไม่มีอริยบทใจไม่มียืนเดินนั่งนอนใจมันเป็นธรรมชาติรู้ก็ให้ความระลึกรู้ เป็นคู่ของความรู้ต่อเนื่องกันทุกอิริยาบถและธรรมะที่เราปรารถนาก็าจะมีความเจริญต่อเนื่องกันไปเพมเพิ่มพูนกันไปเมื่อกำลังถึงพร้อมเต็มที่แลว ผลก็จะปรากฏขึ้นมารู้ที่ใจของเรามีความสงบที่ใจของเรามีความรู้ละปล่อยวางวางที่ใจของเรามีเท่านั้นามูแต่จะไปปรุงไปแต่งจะเป็นอย่างนั่นจะเป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างนั่นให้เป็นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องความปรุงความแต่ง ไม่ใช่เป็นเรื่องสัจธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดเองเป็นเองจากเหตุเพราะฉะนั้นเหตุที่จะให้เกิดให้เป็นให้ธรรมะเจริญก็คือการฝึกสตินั่นเองทำสติให้ตั้งมั่นต่อเนื่อง และผลคือสมาธิความสงบความตั้งมั่นแน่ๆ <_ d ata> ก็จะกรมกืนกันไปปัญญาที่จะไปรูปริง <_ d ata> เห็นริงในสภาวะธรมทั้งหลายก็ะจะกรมกืนกันอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญานะั่นแหละสุดท้ายมันจะรวมเข้าเป็นธรรมันเดียวกันเป็นธรรมันเดียวกันเป็นเครื่องตัดเครื่องประหาร เร่งประหัสประหารความรุ่มหลงประหัดประหารด้วยปัญญาด้วยสติสมาธิทำความแจมแจ้งให้เกิดขึ้นแล้วเป็นความสว่างสวายของใจเป็นพลังแห่งใจเป็นความรู้แห่งใจรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงจะเป็นความรู้ของใจ เมื่อได้ยิน <c oughs> ได้ฟังก็จงน้อมเข้าสู่จิตสู่ใจฟังไว้ที่ใจของเราฟังไว้ที่ผู้รู้คือใจของเราฝึกให้เป็นฝึกให้สำนานแล้วเวลาเราจะหยุดนึกหยุดคิดเอ้การนึกการคิดการใช้ สัญญาอารมณ์คือการใช้งานของจิตเนี่ยนึกคิดปรุงแต่งมากๆมันก็เป็นความไม่สบายก็กำหนดเข้าสู่ความเป็นหนึ่งความรู้เฉพาะใจเสียพักอยู่ภายในความรู้อันนี้ว่ารู้อยู่กับความรู้นี่เป็นการพักงานของใจเรียกว่าสมาธิพักในสมาธิ มันมีความสบายความมีกำลังแล้วก็ใช้ปัญญาใช้ความนึกความคิดนี่เมื่อเราฝึกสติให้มีกำลังแลสมาธิมีกำลังปัญญารอบรู้แล้วทมทั้งสามประเภทนี่แหละสติสมาธิปัญญา จะเป็นผู้รักษาความรู้จะเป็น เ, ออเครื่องสกัดกัน้นสิ่งที่กระทบกับใจหรือพูดง่ายๆก็เรียกว่าสติสมาธิ ปัญญาเป็นธรรมเครื่องรักษาความรู้นี่รักษาในเมื่อมันยังไม่พอแต่ถ้ามันพอตัวแล้วมันถีบตัวออกจากความหลงทั้งหลายได้แล้วก็ไม่ก็ไม่ต้องรักษาเลยลไม่ได้รักษา สติก็เป็นสติสมาธิก็เป็นสมมติปัญญาก็เป็นสมมติอันหนึ่งแต่ว่าเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เครื่องกลมคืนเครื่องลื่นเลงซึ่งกันและกันแล้วนั้นแหละนี่ในเบื้องต้นนี่ฝึกให้ต่อเนื่องให้เข้มแข็งให้แน่วแน่ ในผู้ไข่ในธรรมก็เจริญในธรรม <c oughs> ดังที่กล่าวมา <c oughs> นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วว่าจงโอปนญิโกน้อมเข้าสู่ใจละลึกเป็นอารมณ์ของใจมีศรัทธา ตั้งมัน่นเชื่อมัน่นเห็นคุณค่าของสติธรรมสมาธิธรรมปรรัญญาธรรมนี่ฝึกหัดปฏิบัติอบรมบ่มไม่ท้อถอยจนกว่าจะเต็มจนกว่าสมาธิกำลังสมาธิกำลังสติจะแน่วแน่กำลังของปัญญา เสียบแรงรอบรูปกันกองไข้ควรไอจิตนี่แแยมแจ้งบริสุทธิ์หมดจดนั่นแหละจึงจะหยุดงานปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงนั่นยังไม่เป็นอย่างนั้นต้องปฏิบัติ ต้องทำงานไม่ปล่อยงานไม่วางงานแห่งการประพฤติปฏิปธรรมเพราะรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกเป็นสัจธรรมเป็นความจริงอย่างนั้ น, นจงยินดีในธรรมไข้ควรในธรรมไม่ได้ ยุ่งยากอะไรไม่ต้องไปลงทุนลงรอนตามสมมุติโลกอะไรเพราะมีอยู่นี่อยู่ในกายในจิตของเรานี่แล้วมีอยู่ในขันห้าของเรานี่แล้วรูปเวทนา ท, าทาัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่ในนี่แล้วเพียงแต่เราฝึกซ้อมให้มีกำลัง เข้มแข็งเท่านั้นแหละแล้วก็จะจบได้จบทุกทำที่สุดแห่งทุกทุกกายทุกใจให้สิ้นสุดลงได้เมื่อได้ยินได้ฟังจงน้อมเข้าสู่ใจน้อมใจให้ยินดี ไม่ท้อถอยไม่เชื่อกิเลสที่มันจะหลอกลวงทีีหลอกในตัวของเราในใจเรานี่แหละจะไปเชื่อมันฝ่าฝืนมันตั้งมั่นด้วยสัจจะความจริงใจขันติความอดทนในการฝึกหัดปฏิบัติธรรม แล้เราก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมและก็ด้วยอนุภาพแห่งข้อปฏิบัติการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าตามครูจะตามครูตามอาจารย์ตามโบรมมาครูคือพระพุทธเจา้าและธรมรมคือหลักการประพฤติปฏิบัติ และโม่พระอริยสงฆ์สาวกผู้ว า, าจารย์ผูุ้ปพฤศดีปฏิบัติชอบที่ท่านได้มีได้เป็นของท่านแล้วด้วยความเชื่อความเยื่อมใสด้วยการอุตสาหาวิริยะของพวกเราอุปพฤติปฏิบัตินี่แหละอํานาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อํานาจแห่งธรรมปฏิบัติของเรา ต้องเป็นพระเป็นกำลังหนุนนำจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาและประสบพบความสุขความเจริญในธรรมในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเถอ